เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหารคนชอบเล่าวันนี้ในหมวดของตำนานธรรมะศักดิ์สิทธิ์กระผมขอยกประวัติของหลวงปู่สุภากันตสีโลพระเกจิห้าแผ่นดินวัดศีลสุภารามตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ต ถ้าเสียสัตว์ก็เสียศีลเสียศีลแล้วทําก็ไม่บังเกิดฆ่าจิตของเราให้มันตายอย่าให้มีโกรธอย่าให้โลภอย่าให้มีหลงปตาตกรถาธรรมอันสะท้อนถึงแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาโดยพระมงคลวิสุทธ์หรือที่ชาวภูเก็ตหรือพุทธศาสนิ ก, ก, กชนชาวไทยรู้จักกันดีในานามของหลวงปู่สุภากันตศรีโลอัตโนประวัติมีนามเดิมว่าสุภาวงพาคมเกิดเมื่อวันพฤหัสที่17พุทธศักราช2438 ตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือนสิบปีวอกณนะบ้านคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครโยมบิดาชื่อขุนพลพักดีผู้ใหญ่บ้านคำบอชื่อเดิมนายพลวงพาคโยมบารดาชื่อนางสาวงพาคำมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด8คนหลวงปู่เป็นคนที่6ในพี่น้องที่เป็นผู้ชายหลวงปู่สุภาถือว่าเป็นน้องชายคนสุดท้องของครอบครัวเมื่อตอนเป็นเด็กท่านอ้วนทุนสมบูรณ์ ผิวขาวหน้าตาน่ารักน่าชังท่านใช้ชีวิตอย่างเช่นเด็กทั่วๆไปในสมัยนั้นก็คือเที่ยววิ่งซุกซนตามภาษาจะมีโอกาสเรียนเขียนอ่านก็ต่อเมื่อพ่อแม่ได้พาไปฝากวัดให้กับพระท่านได้สอนหรือไม่ก็ให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่รู้หนังสือสอนให้วัดจริงเป็นสถานที่แห่งเดียวที่เด็กชายไปสแสวงหาความรู้เช่นเดียวกับคนอีสานส่วนใหญ่สมัยนั้นคือมักจะให้ลูกของตนเองได้ไปบวชเรียนเป็นเนน เมื่อหลวงปู่สุภาอายุได้เจ็ดขวบวันหนึ่งขณะที่ท่านและเพื่อนๆ อ, ออกไปวิ่งเล่นที่ริมทุ่งชายป่าได้พบกับพระธุดงรูปหนึ่งมาปักกลดอาศัยอยู่ใต้ต้นตะแบกใหญ่เด็กคนอื่นๆที่เห็นพระรูปนั้นก็ไม่ได้สนใจต่างพากาันวิ่งเล่นกันต่อเว้นไว้แต่เด็กชายสุภาซึ่งมีจิตใจโน้มมาทางธรรมตั้งแต่อายุอย่างน้อยจะเห็นได้จากการที่ชอบเข้าใกล้พระชอบไปวัดดังนั้นเมื่อท่านเห็นพระธุดงรูปนั้นปักกลดพักอยู่ก็แยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนๆตรงเข้าไปกราบ เมื่อพระภิกษุชัยชรานั่งพักอยู่ภายในกรดเห็นเด็กชายหน้าตาน่ารักน่าชังเข้ามากราบอย่างงดงามเหมือนกับได้รับการสั่งสอนมาเป็นอย่างดีจึงมองเด็กน้อยคนนั้นด้วยความเมตตาเพ่งดูลักษณะเพียงครู่เดียวจึงบอกเด็กน้อยว่าต่อไปในภายหน้าจะได้บวชเมื่อบวชแล้วก็อย่าลืมไปหาท่านพระภิกษุรูปนี้คือหลวงปู่สีทั์จำพรรษาอยู่ที่วัดท่าอุเทนจังหวัดนครพ น, พนมนั่นเอง แต่ในเวลานั้นเด็กชายสุภายังไม่ได้นึกอะไรได้แต่นั่งคุยกับหลวงปู่ศรทัศน์อยู่ครู่หนึ่งจึงน้สัสศการลากลับและไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆต่อเมื่อหลวงปู่สุภามีอายุได้9้าขวบบิดามารดาได้นําท่านไปบวชเป็นสั ม, มนเณรโดยมีพระอาจารย์สอนเป็นพระอุปัชาสั ม, มนเณรสุภาได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์สอนเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทางไปเรียนมูลกระจายที่วัดไพรใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระอาจารย์มหาล่า และคารวาชื่ออาจารย์ลุยเป็นผู้สอนสมเนีนสุภาได้ใช้เวลาศึกษาบูรณะจายอยู่ที่วัดไพรใหญ่เป็นเวลาหลายปีเมื่อเรียนจบแล้วได้กราบลาอาจารย์เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจึงได้ออกเดินทางบรรณาการหลวงปู่ศรีทัศน์ที่วัดท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่ศรีทัศน์ท่านเป็นพระป่ามีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนากรรมฐานและทรงวิทยาคมทางด้านคาถาอาคมสายเวท ซึ่งท่านได้ศึกษาวิชาอาคมด้านต่างๆมาจากสมเด็จลุนแห่งนครจำปาสักประเทศลาวสมเด็จลุนท่านเป็นสุดยอดปรมาจารย์ของประเทศลาวพระเกจิอาจารย์ทางภาคอีสานแถบลุ่มแม่น้ำขงที่มีชื่อเสียงโด่งดังลุ้นมาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านทั้งสินส้นสมเด็จลุนท่านมีอิทธิฤทธิปฏิหารมากมายเหลือจะระบายเป็นตัวอักษรมาได้จะขอกล่าวไว้พอสังเขตสมเด็จลุนท่านสามารถเดินข้ามแม่น้ำขงด้วยเท้าเปล่าและบางครั้งท่านจะไปนั่งส่งน้ำกลางแม่น้ำขง ซึ่งก็คืออิทธิปฏิหานของท่านและในบรรดาลูกศิษย์ของสมเด็จลุนหลวงปู่สีทัตถือเป็นศิษย์เอกที่ได้รับการถ่ายทอดตําราวิชาต่างๆจากสมเด็จลุนมาจนหมดสิน้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าลูกไม้จะหล่นไกลต้นเมื่อสั ม, มนเณรสุภาได้กราบใ น, นมัสการหลวงปู่สีทัศน์แล้วได้ขอตัวฝากเป็นศิษย์หลวงปู่ศรีทัตก็ได้รับสั ม, มนเณรสุภาเป็นศิษย์ด้วยความยินดีนับว่าหลวงปู่สีทัศน์เป็นพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานองค์แรกของสั ม, มนเณรสุภา ส ม, มนเนนสุภาได้เริ่มฝึกกรรมฐานและออกทุดงกับหลวงปู่สีทัศน์ซึ่งท่านได้พาส ม, มนเีนสุภาธุดงข้ามไปฝั่งลาวหลวงปู่ศีทัศตได้พาไปที่ถ้ำภูเขาควายเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีความสวยงามน่าอยู่ในถ้ำ ม, มีพระสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมรวมกันอยู่มากถา้ำภูเขาควายเปรียบเสมือนถ้ำสำนักตักศิลาที่มีพระสงฆ์ชาวลาวและไทยไปจําพรรษาและแลกเปลี่ยนวิชาอาคมกันหนทางที่จะไปถ้ำภูเขาควายลําบากมากเต็มไปด้วยสิ่งลึกลับ พระธุดงค์ที่เดินทางไปถ้ำผูเขาควายถ้ามีวิชาอาคมไม่แก่กล้าพอก็มักจะเอาชีวิตไปทิ้งไม่เป็นจำนวนมากสั ม, มนเณนีสุภาได้ติดตามหลวงปู่สีทัศตไปธุดงค์จนอายุครบอุปสมบทในปีพุทธศักราช2459หลวงปู่สีทัน์จึงได้อุปสมบทให้สัมมณีนนสุภาภายในถ้ำภูเขาควายโดยมีหลวงปู่สีทัศน์เป็นพระอุปัชาพระเถระที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดถ้ำผูเขาควายเป็นพระกรรมวาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์กนังตะสีโล หลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปู่สุภาได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปอีกระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้ติดตามหลวงปู่สีทัศน์กลับมาจำพรรษาที่วัดท่าอุเทนเพื่อดำเนินการก่อสร้างพระธาตุท่าอุเทนเมื่อมีเวลาว่างท่านจะพาหลวงปู่สุภาและลูกศิษย์ออกทุดงแล้วก็กลับมาจำพรรษาที่วัดท่าอุเทนจนกระทั่งสร้างพระธาตุท่าอุเทนเสร็จเรียบร้อยหลวงปู่สุภาได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่สีทัศน์เป็นเวลานา น, านถึง8ปี และมาปีพุทธศักราช2463หลวงปู่สุภาได้กราบลาหลวงปู่สีทัศน์เพื่อเดินทางทุดงวัดและออกจากถ้ำภูเขาควายเดินทางกลับตามที่หลวงปู่สีทัศน์ได้แนะนําและหลวงปู่สีทัศน์ท่านก็ยังได้บอกว่าท่านจะได้พบกับอาจารย์ที่เก่งมากอีกองคหนึง่งหลวงปู่สุภาเดินทางไปตามเส้นทางที่หลวงปู่สีทัศตแนะนําเมื่อถึงจังหวัดหนองคายก็ออกทุดงเข้ากรุงเทพเมื่อมาถึงกรุงเทพท่านก็ได้สอบถามพระเกจิอาจารย์ที่เก่งๆทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน ด้านพุทธวิทยาคมก็มีคนแนะนำเล่าลือว่าอาจารย์สุขหรือหลวงปู่สุขอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธท่านเป็นผู้ที่เก่งด้านวิทยาคมมากท่านจึงได้เดินทางออกจากกรุงเทพจนมาถึงอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธเมื่อมาถึงวัดปากคลองมะขามเท่าท่านได้คลานเข้าไปกราบหลวงปู่สุขซึ่งขณะนั้นหลวงปู่สุขท่านทราบแล้วว่าจะมีพระภิกษุมาจากประเทศลาวหลวงปู่สุขจึงถามกับท่านว่ามาจากประเทศลาวใช่หรือไม่ ท่านจึงตอบและกราบเรียนหลวงปู่สุขว่าท่านมีความประสงค์ที่จะมาศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขท่านจึงรับไว้เป็นสิทธิ์หลวงปู่สุภาได้ศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงปู่สุขเป็นเวลาถึงสปีหลวงปู่สุขได้ถ่ายทอดวิชาด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์เป็นอย่างมากถึงแม้หลวงปู่สุภาจะบวชเป็นพระภิกษุนานถึง4พรรษาแล้วก็ตามแต่หลวงปู่สุกก็ยังเรียกท่านว่าเนน้อย ในขณะที่หลวงปู่สุภาได้มอบตัวเป็นสิทธิ์กับหลวงปู่สุขท่านมีอายุมากแล้วแต่ท่านยังปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิเป็นเวลานานๆทุกวันหลวงปู่สุภาให้ความเคารพนับถือหลวงปู่สุขเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่สุขจึงนับเป็นพระอาจารย์องค์ที่สองของท่านต่อจากหลวงปู่สีทัศตในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาคมหลวงปู่สุขได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆให้กับหลวงปู่สุภาเมื่อหลวงปู่สุขนั่งกรรมฐานหลวงปู่สุภาท่านก็นั่งด้วยหากติดขัดปัญหาธรรมก็ให้ประกาบเรียนหามท่าน ท่านก็เมตตาแนะนําให้ทุกครั้งท่านจะปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ลูกศิษย์ที่ศึกษาทําความเข้าใจหลวงปู่สุภาท่านค่อยๆศึกษาดูว่าหลวงปู่สุขทําอย่างไรในเวลาที่ท่านปลูกเสกปถุมงคลก็คอยไปสังเกตพระคาถาต่างๆหลวงปู่สุขก็สอนให้บ้างจดจําเองบ้างแล้วก็ไปขอท่านบ้างแต่อย่างไรก็ตามไม่มีลูกศิษย์คนไหนใดจะปฏิบัติจนบรรลุได้เหมือนหลวงปู่สุขบางครั้งเวลาลงยันทําตะกุด ต้องลงไปทำในน้ำไม่มีใครเห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อตอนท่านขึ้นมาจากน้ำแล้วหลวงปู่สุภาท่านศึกษาวิทยาคมจากการอ่านตําราที่ท่านจดเขียนไว้บ้างดูจากกรรมวิธีที่หลวงปู่สุขทาให้ดูบ้างเรียนถามท่านบ้างท่านก็แนะนาให้พอสมควรใครสนใจมากก็ได้มากใครไม่สนใจก็ไม่ได้เลยแต่ส่วนใหญ่หลวงปู่สุขท่านจะเน้นเรื่องการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมมากกว่า พระท่านสอนว่าถ้าศีลบริสุทธิ์คุณวิเศษจะมาเองหลวงปู่สุภาได้ศึกษาธรรมและวิทยาคมต่างๆมากมายโดยเฉพาะความรู้ในทางธรรมในครั้งนั้นมีพระภิกษุไปปฏิบัติธรรมและเรียนรู้วิชาอยู่กับหลวงปู่สุขด้วยการอยู่หลาย10รูปที่กล่าวมาในข้างต้นก็ถือว่าเป็นที่มาที่ไปของวิชาความรู้และก็อาจารย์ของหลวงปู่สุภาให้พอได้ทราบกันนะครับแต่ที่จะกล่าวไปนี้ก็คือบันทึกการทุดงของท่านในครั้งหนึ่งที่ท่านได้ออกทุดง มีความว่าคืนหนึ่งขณะที่ท่านได้จำวัดอยู่ที่ที่ท่านได้ทำการก่อสร้างสะพานท่านก็ได้เกิดนิมิตประหลาดท่านนิมิตไปว่ามีชีประขาวหน้าตามีบุญมีแสงสว่างออกจากตัวคล้ายมีแสงไฟกระจายอยู่ด้านหลังชีประขาวมื่หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าท่านพร้อมกับกล่าวกับท่านว่าเมื่อสะพานสร้างเสร็จแล้วท่านพึงจะละทิ้งเอาไว้ระยะหนึ่งก่อนออกธุ่งไปยังโคราชก่อนแล้วตัดทางออกไปทางอุบลราชธานี อยพึ่งรีบร้อนและลังเลเมื่อพักผรอิริยาบถพอสมควรแล้วท่านก็ข้ามไปฝั่งลาวเลยเส้นทางที่ชีปะเขาบอกคือข้ามจากอุบลราชธานีทางช่องเม็กสู่แขวงจำปาสักประเทศลาวเดินตามเส้นทางป่าที่เชื่อมจำปาสักกับเมืองปากเซ่ด้วยเป็นเส้นทางที่วิเวกและสามารถหลีกพ้นจากการรบกวนของผู้คนที่อาจจะทําให้หลวงปู่ต้องพักช่วยชาวบ้านเป็นระยะระยะหมดโอกาสที่จะไปยังสถานที่ที่ต้องการจะไปได้ หลวงปู่สุภาเดินทางพร้อมเครื่องบริขารทุดงตรงไปยังปากเซสอบถามเส้นทางเดินไปยังเมืองเชโพนซึ่งได้ใช้เส้นทางป่าเหมือนที่มาจากนกครจำปาสักด์เผชิความยากลำบากและเพศภัยต่างๆตลอดเส้นทางเพราะตอนนั้นป่าแถบนั้นชุกชุมไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและผู้ผีปีศาจจากเชโพนสอบถามเส้นทางไปยังเมืองวังเส้นทางช่วงนี้วิบากยิ่งแต่หลวงปู่สุภาก็ไม่ย่อท้อเพราะมีชีปะขาวมานิมิตบอกเหตุอยู่เสมอตลอดทาง ชีพาขาวมากฏอยู่ในนิมิตอยู่เสมอว่าถ้ำจุงจิงหรือสถานที่ที่ท่านจะต้องเดินทางไปให้ถึงไปให้ตลอดนั้นคือจุดหมายปลายทางของหลวงปู่สุภาหลวงปู่สุภาจึงมีพลังใจและรุดหน้าเดินทางไปยังเมืองวังและเดินทางต่อไปยังเมืองอ่างคําอันป่าแถบนั้นยากที่จะมีผู้ใดบุกเข้าไปได้ชาวบ้านบอกชัดเจนว่าพระธุดงค์หลายต่อหลายรูปถามหาทางแล้วไม่เคยกลับออกมาอีกเลยและหลายคนห้ามหลวงปู่สุภาด้วยคําชาวบ้านแบบง่ายๆว่า จะเอาร่างกายไปเป็นเหยื่อสัตว์ร้ายและไข่ป่าตลอดจนพูดผีปีศาจเลยแม้พรานที่ว่าแก่วิชาก็ยังต้องตามไปเอาศพกลับมาเผาเพื่อส่งวิญญาณเมื่อไปพบศพสภาพดูทุเรศเป็นที่สุดนี่คือคําพูดของชาวบ้านจากเมืองวังไปยังเมืองอ่างคําหลวงปู่สุภาต้องเผชิญกับอาถรรพ์ต่างๆนานาประการหากแต่ได้วิชาที่เล่าเรียนมาแต่ต้นหวลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าและทุดงวัดอันเป็นบุรุษสุดของท่านแล้ว ใช้แก้ไขสถานการณ์จนรอดออกมาจากป่าบรรลุถุงเมืองอัสเปือแสนปางที่นั่นหลวงปู่สุภาม่อาจหาเส้นทางที่จะเข้าไปยังจุดที่จะถึงถ้ำจุงจริงได้ที่สุดชีปะขาวต้องมานิมิตบอกกับท่านว่ามีคนพวกเดียวเท่านั้นที่จะพาหลวงปู่สุภาไปได้ก็คือพวกขา่าพวกข่าเป็นพวกพรานป่าที่ชำนาญไพรและชํานาญด้านเส้นทางที่จะไปถึงยังถ้ำจุงจริงหลวงปู่สุภาเดินทางจนมาถึงบ้านหนองไก่โูอันเป็นชุมชนของชาวขา่าที่น้อยคนนักจะได้มาถึง พบหลวงปู่สุภาแล้วก็รู้สึกแปลกใจถามว่ารอดชีวิตจากปาดงดิบดงดิบดําได้อย่างไรหลวงปู่สุภาจึงบอกวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปยังถ้าจุงจิงกับชาวขาเมื่อได้ยินดังนั้นชาวขาก็บอกกับท่านว่าถ้าแห่งนั้นเป็นถ้าอาถรรพ์ไม่มีใครอยู่ได้แม้แต่จะเฉียดเข้าไปใกล้ก็ถูกอาถรรพ์เล่นงานเอาจนตายหรือไม่ก็เฉียดตายแต่หากท่านจะไปก็จะนําทางให้จะนําทางแค่เพียงขึ้นไปที่ปากถ้าเท่านั้นหลังจากนั้นให้หลวงปู่ ให้ค่าจ้างเขาด้วยหนอทองคำหลวงปู่สุภาจึงบอกกับผู้ขาว่าเราเป็นพระธุดงค์ไม่มีทองคําหรือหน่อไม้ทองคําแต่ประการใดที่จะให้เป็นค่าแรงบอกทางด้วยปากเปล่าก็ได้จะเดินไปเองผู้ขาวจึงบอกกับหลวงปู่สุภาว่าสะพานที่ทอดข้ามจากหนองไก่หู่ไปยังเส้นทางเขาจุงจิงมีต้นไม้สีทองอุไรขึ้นอยู่มากมายหากมีวิชาอาคมเด็ดยอดมาให้ขาดลงทันทีที่ขาดใส่มือก็จะกลายสภาพเป็นหน่อทองคําทันที ขอหนอนนั้นให้พวกผมและกันจะได้รอจนกว่าท่านจะกลับมาหลวงปู่สุภาจึงรับปากเขา จ, จริงๆนั้นเป็นเขตแดนติดต่อกันระหว่างราชอาณาจักรลาวกับดินแดนของเวียดนามหลวงปู่สุภาจึงข้ามสะพานไปอีกฟากหนึ่งจึงพบกับต้นไม้ที่ชาวข่าบอกให้ฟังความจริงนั้นหลวงปู่สุภาเล่า ว, ว่าความจริงแล้วไม่ใช่ต้นไม้ต้นไรอะไรหรอกเป็นหน่อกอกจากดินสูงคืบหนึ่งบ้างหนึ่งศอกบ้างสองศอกบ้างมีสีเหลืองปนเหมือนทอง เวลาต้องแดดจะเปล่งประกายเงางามจับตายิ่งนักผู้ขาต้องการมากทีเดียวเมื่อเดินทางผ่านไปท่านได้ระดึกถึงอยู่สองอย่างคือประการแรกได้รับปากกับชาวขาวไว้แล้วเรื่องหน่อไม้ทองคำเป็นรางวัลประการที่สองการจะหักหน่อทองคำเป็นอาบัตทูดงวัดก็จะขาดและก็จะเกิดอันตรายจะต้องรักษาสองอย่างนี้ไว้ในเวลาเดียวกันหลวงปู่สุภาเล่าว่าเพ่งมองดูด้วยจิตอันเป็นอุเบกขาไม่มีความโลภอยากได้ เมื่อจิตเป็นเอกขตาแล้วจึงนึกอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ว่าขอเทพ ย, ยดาอารักษ์ที่รักษาสถานที่แห่งนี้อยู่ด้วยอัตมาเดินทางมาจากด้วยนิมิต จ, จิตต้องการเพียงเล่าเรียนศึกษาแสวงหาทางนิพพานแต่ได้รับปากชาวบ้านว่าจะให้หน่อม้ทองหากไม่มีของให้พวกเขาธุดงวัดของอัตมา ก, ก็จะบกพร่องและเกิดอันตรายขอเทพ ย, ยดาได้เมตตา ให้หน่อไม้ทองคําแกะจะมาด้วยเถิดทันใดนั้นก็มีเสียงสู้ซ่าต้นไม้ทองคําก็สั่นไหวไปมาและหลายต้นโน้มยอดเข้ามาหาทางที่ท่านเดินไปและหักกะเด็นออกมาเรี่ยราอยู่กับพื้นเป็นจํานวนมากโดยที่ท่านไม่ต้องออกแรงเด็ดหรือกระทาการแต่อย่างใดให้ต้องอาบัดและเมื่อยอดตกถึงพื้นดินก็กลายเป็นหน่อทองคําจริงๆเหมือนอย่างที่พวกขาเล่าให้ฟังเมื่อเห็นว่าได้หน่อทองคํามากพอควรแล้วหลวงปู่สุภาจึงบอกกับชาวขาวว่าบัดนี้เราได้หน่อทองแล้ว ขอใพากันไปเก็บแต่ต้องนําท่านไปส่งที่เขาจุงจิงก่อนหาไม่แล้วอาจจะไม่ได้ทองเพราะเป็นจิตอธิษฐานของท่านเองพวกข้าจึงได้ตามท่านไปเก็บหน่อทองและจึงช่วยกันนําทางหลวงปู่สุภาขึ้นไปส่งยังถ้ำจุงจิงและลากลับไปที่หมู่บ้านของตนหลวงปู่สุภาปักกลดอยู่ทางขึ้นถ้าชีประขาวก็มานิมิตอีกคราวนี้มาบอกชัดเจนเลยว่าบนถ้ำจุงจิงมีพระอรหันต์หลายรูปแต่ละรูปจเจริญอิทธิบาท4ประการ ดำรงสังขารมานับเป็นพันปีและจะดำรงต่อไปเรื่อยจนกว่าจะพบกับพระศรีอริยะเมตรัยมาตรสรู้หรือเมื่อได้รับฟังพระธรรมจากท่านพระศรีอริยะเมตรยแล้วจึงจะละสังขารไปท่านจะได้พบด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละหลวงปู่สุภาได้ขึ้นไปจำวัดอยู่ที่ถ้ำจุงจิงเป็นคืนแรกการขึ้นสู่ถ้ำจุงจิงนั้นยากลำบากต้องปีนป่ายไปตามซอกหินจนไต่ขึ้นไปสู่ปากถา้ำซึ่งมีแต่หมอกควันปกคลุมอยู่แสงสว่างจากภายในก็ไม่มีจากภายนอกก็เข้าไปถึงไม่ได้ ต้องอาศัยเทียนนำทางเมื่อเข้าไปแล้วเหมือนตนเองอยู่ในเมืองลับแลคือไม่รู้ว่าเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนเช้าวันใหม่หลวงปู่สุภาจึงออกมานอกถ้ำที่หน้าถ้ำหมอกได้สลายไปหมดแล้วเห็นภูมิทัศน์ได้ถนัดตามองขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นมิตยอดเขาและถ้ำอีกมากมายแต่ไร้เส้นทางที่จะขึ้นไปเป็นหน้าผาล้วนๆไม่มีก้อนหินและทางให้ขึ้นไปได้จึงได้แต่คิดว่าเราจะได้พบพระอาจารย์หรือพระอาหารหันต์ได้อย่างไร พอคิดแบบขึ้นมามองคิดไปด้านบนก็เห็นสีเหลืองคล้ายจีวรเลื่อนลงมาจากปากถ้าด้านบนรวดเร็วมากจนมองแทบไม่ทันมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อสีเหลืองๆนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าเป็นพระภิกษุที่มีผิวพรรณผิดกับคนธรรมดาทั่วไปคลองผ้าแปลกไปกว่าที่หลวงปู่สุภาครองอยู่แต่มีลักษณะคล้ายกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้สังเกตได้หลายประการและพระสงฆ์รูปนั้นก็กล่าวขึ้นว่าไม่ต้องแปลกใจหรอก การที่ลงมาเมื่อตะกี้นี้เป็นเพียงการอธิษฐานจิตเท่านั้นแหละเอาเป็นว่ามาได้อย่างไรและทําไมจึงต้องมาอยู่ที่นี่บอกมาให้ละเอียดหลวงปู่สุภาเล่าให้สิทธิ์ฟังว่าพระอรหันต์จริงๆจะไม่กล่าวพาดพิงถึงการสแสดงปาฏิหาริย์หรือปรากฏการมหัศจรรย์แต่จะพูดเลี่ยงไปมาด้วยพระอรหันต์นั้นหากแม้แต่แสดงตัวหรืออะไรก็ตามที่ให้บุคคลที่สองรู้ว่าตนเองเป็นอรหรันต้องปาราชิกฐานอวดอุตริมนุสธรรม แม้จะมีภูมิธรรมก็ตามทีหลวงปู่สุภาจึงได้ตอบท่านไปว่ากระผมมาตามนิมิต ท, ที่ได้จากชีปะขาวจึงเดินทางจนมาถึงที่นี่ด้วยความต้องการจะเล่าเรียนทางด้านวิปัสสนากรรมฐานที่สูงขึ้นกว่าที่ได้เรียนมาหากท่านมีเมตตาแล้วก็ช่วยสอนให้กระผมด้วยเถิดพระรูปนั้นจึงกล่าวว่าไม่ยากหรอกแต่ต้องเริ่มต้นกันที่การกําจัดสิ่งปฏิกูลออกจากตัวของท่านก่อนอย่าลืมว่าท่านฉันพัะตาหารที่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่สิ่งเหล่านั้นปะปนอยู่ในตัวท่านอยู่มากมาย ต้องนอนลงบนใบต อ, องทําจิตให้มั่นคงและต่อไปเราจะสวดขับไล่สิ่งที่เป็นขาวออกจากตัวท่านให้หมดเมื่อ น, น้ำข่าวออกหมดแล้วท่านจึงจะสวมจีวรได้อีกครั้งระหว่างที่สวดจะต้องสวมแต่สบงเท่านั้นจีวรและอังสะต้องแยกออกไปชําระล้างตัวแล้วจึงไปเรียนชีปะขาวหรือฤาษีที่ไปนิมิตบอกท่านนั่นแหละเรียนกับเขาด้านสมถะและด้านยานโลกียะซึ่งสามารถแสดงฤทธิ์อภิญญาแต่นั่นไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่จะสามารถแสดงฤทธิ์ขึ้นไปข้างบนที่เห็นอยู่ได้ เพื่อจะได้พบพวกเราพวกเราอยู่กันบนนั้นมีอายุปัฒนาด้วยอิสิบาท4ที่สมเด็จพระบรมศสาสดาทรงสำแดงว่าจะสามารถดำรงขันอยู่ได้นานตามที่ต้องการเราจะอยู่จนพบพระศรีอริยะเมตรัยรงประตัสรูและได้ฝังธรรมะจากท่านแล้วจึงจะละสังขารไปสู่นิพพานอันเป็นบรมสุขแต่เอ๊ะคุณยังมีภาระอยู่นี่ยังทาอะไรไม่ได้หรอกต้องกลับไปทาให้สาเร็จก่อนจึงจะมาศึกษาเล่าเรียนได้ มันเป็นห่วงที่คอยขัดขวางการเล่าเรียนของคุณจงกลับไปทําให้เรียบร้อยก่อนหลวงปู่สุภาจึงบอกกับพวกภิกษุเหล่านั้นว่าสะพานผมสร้างเสร็จแล้วสาลาการเปลี่ยนก็เสร็จแล้วผมยังจะมีอะไรให้เป็นห่วงอีกพระภิกษุรูปนั้นจึงบอกว่าสําเร็จแล้วแต่คุณยังค้างคาชาวบ้านเขาก็คุณบอกว่าจะทําการฉลองไงและคุณไม่กลับไปฉลองก็เท่ากับว่าคุณไม่ทําตามคําพูดเป็นมุสาวาดคุณกลับไปทําให้เรียบร้อยซะก่อนและค่อยกลับมาใหม่ก็แล้วกัน พอสิ้นคำพูดนั้นร่างของพิสุรูปนั้นก็เลื่อนขึ้นสู่เบื้องบนเหมือนตอนที่ลงมาไม่มีผิดท่านจึงต้องเดินทางย้อนกลับมาทางเดิมมาทำพิธีฉลองสะพานและสิ่งก่อสร้างในเขตวัดเกาะสีคิ้วครั้นเตรียมตัวกลับไปใหม่ก็ไม่อาจทำได้เพราะมีพระมหาสมานอยู่คณะหวัดถงรัตนารามนิมนต์ให้ไปช่วยเป็นประธานปฏิสังขรหมู่กุฏิและเสนาสนะในคณะห้ากว่าจะเสร็จก็กินเวลานานและฉีป่ขาก็ไม่ได้มานิมิตอีกเลย เป็นอันว่าท่านไม่ได้กลับไปที่ถ้าจุงจิงอีกเลยท่านเล่ามาถึงตอนนี้ก็บอกกับศิษย์ให้จําไว้เลยว่าทุกอย่างจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละคนสําหรับท่านไม่มีวาสนาบารมีที่จะได้เล่าเรียนกับพระอาจารย์ที่ถ้าจุงจิงเป็นแน่จึงไม่ได้กลับไปครับและนี่ก็คือประวัติของท่านหลวงปู่สุภาที่ผมพอจะนำมาเล่าทุกท่านได้ฟังกันต่อนะครับมีข้อคิดอะไรกันบ้าง สำหรับผมมีข้อคิดสำหรับความเพียรพยายามความตั้งใจที่จะไปให้ถึงถึงท่านจะไม่ได้กลับไปด้วยร่างกายแต่จิตของท่านก็ไปถึงแล้วละครับขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการได้รับฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ